ท่านผู้มีจ <c oughs> ิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุณล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2557 <c oughs> เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญก้อณนี้ ก็มีศรัทธาความเชื่อว่าบุญบารมีนี่แหละที่เป็นเหตุให้เรามีความสุขความเจริญมีความทุกข์มีความเสียหายต่างกันไปเชื่อว่าใครได้สร้างบุญบารมีมากก็จะได้รับความสุขความเจริญมากใครไม่ได้สร้างบุญบารมีก็จะได้ ก็จะไม่ได้ความสุขความเจริญอย่างที่พวกเราทุกคนมาเกิดในโลกนี้พวกเราก็มีความแตกต่างกันหลายด้านด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถไม่เท่ากันรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันผิวพรรณผ่องใสไม่เท่ากัน ฐานะการเงินการทองมีไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่ฐานะของลูกเรานี้กลับต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราได้จากพ่อแม่คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจ นี่อยู่ที่บุญบา ร, รมีที่เราทำมาในอดีตถ้าเรามีบุญบา ร, รมีมากจิตใจเราก็จะมีบา ร, รมีมีความรู้ความสามารถมีความฉลาดมากเมื่อเรามีความรู้ความสามารถความฉลาดมากเราก็สามารถทาอะไร ได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นสร้างบุญบา ร, รมีกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะบุญบา ร, รมีนี่แหละที่ได้ทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสั้เป็นพระอาหารหันต์ตถามมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาในที่สุดพวกเราถ้าหมั่นสร้างบุญบา ร, รมีกัน ต่อไปเราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวุอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เกิดจากเหตุผลก็คือการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็เกิดจากเหตุคือการกระทาที่เรียกว่าบุญบารณีนี่เองดังนั้นขอให้เรามาศึกษากันว่า บุญบา ร, รมีที่เราควรจะสร้างกันนั้นมีอะไรบ้างบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีนี้เป็นอย่างไรก็คือเป็นการให้ความสุขให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นการแผ่การสร้างทานบุกการสร้างเมตตาบา ร, รมีนี้ ก็แบ่งไว้เป็นสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเรียกว่าเป็นการซ้อมสร้างบารมีไปก่อนเป็นการทำการบ้านไปก่อนเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็สวดสัพเพสัตตาะเวราหหนตุอันนี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเพราะตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ ที่จะทำให้เราต้องแผ่เมตตาแต่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดให้เราจำเป็นจะต้องแผ่เมตตาการที่เราสวดว่าสัพเพสัตตาอเวราหอนตุความหมายก็คือเราอย่ามีเวงกับสัตว์ทั้งหลาย เวลาใครเขาพูดอะไรทำอะไรแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับเราหรือเกิดความเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องแผ่เมตตาสัเพสัตตาเอาเวลาของตุก็คือเราจะไม่โกรธไม่จองเวนเขาการจองเวนนี้เป็นการไม่มีความเมตตา ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราก็ต้องให้อภัยโอหิสิเพราะถ้าเราให้อภัยโอหิสิได้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทก็จะถูกระงับไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและแก่ผู้อื่นแต่ถ้าเรา แต่สัพเพสัตตาอเวลาหนุนตุไม่ได้พอใครทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็จะตอบโต้ทันทีพอเราตอบโต้ไปผลเสียหายก็จะตามมาเขาก็จะโกรธแค้นโกรธเคืองเราเขาก็จะตอบโต้กลับมาแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นสงคราม ข, ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า เวณย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวณการไม่จองเวนก็คือการแผ่เมตตานี้เองนี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาลักษณะหนึ่งเวลาเราอยู่ร่วมกันทำอะไรบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันเหมือนลิ้นกับฝันพอทำไปแล้วเกิดความเสียหาย เราก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้แสดงว่าเราแผ่เมตตาแต่ถ้าเราเกิดความโกรธแล้วก็ไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าขาดความเมตตานี่คือลักษณะหนึ่งของการแผ่ความเมตตาคือไม่จองเวนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการแผ่ ความปรารถนาดีเวลาเราพบกปะกับคนนั้นคนนี้เราก็ยิ้มให้เขาพูจาดีๆทักทายกันสวัสดีสบายดีหรืออะไรทำนองนี้คืออย่าหน้าบึ้งตึงแยกเที่ยวใส่กันอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีความเมตตาต่อให้เราสวน สัพเพสัตตาไปตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาเราพบปะกับบุคคลเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเราไม่แผ่เมตตาตอนนั้นการสวดแผ่เมตตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็คือใจของเราการแผ่เมตตานี้เพื่อระงับความอารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น เวลาเราเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความอาฆาตพยาบาทคิดอยากจะทำร้ายผู้อื่นถ้าเราลึกถึงการแผ่เมตตาได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปทำร้ายผู้อื่นเพราะถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเดี๋ยวโทษก็กลับมาหาเราเราไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาตีเรา ถ้าเขาเขาก็ให้คนอื่นมาฆ่าเราหรือเราก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางการทางบ้านเมืองจับเราไปลงโทษขังคุกของตารางแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเราก็ไม่ต้องทำอะไรพอแผ่เมตตาแล้วความโกรธก็จะหายไปนี่คือวิธีที่เราจะต้องทาถ้าเราอยากจะรักษาคุณสมบัติคือความดี ในตัวของเราถ้าเราอยากจะเป็นพระไม่อยากจะเป็นมารเราก็ต้องรู้จักคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าเอาชนะด้วยการไปทำร้ายผู้อื่นเพราะนี่ไม่ใช่เป็นพระนี่เป็นมารถ้าเป็นพระก็ต้องให้อภัยอโหสิแผ่เมตตาให้ต่อกันถ้าเรามีความเมตตาแล้ว เราก็จะสามารถสร้างบารมีที่สองต่อไปได้บารมีที่สองคืออะไรก็คือทานบารมีการให้การแบ่งปันการเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองความสุขประโยชน์ต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นเราก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ เพราะเรามีความเมตตาถ้าเราไม่มีความเมตตานี้เราจะให้ไม่ออกเวลาเราโกรธเราเกลียดใครนี่เราจะไม่อยากให้อะไรเขาแต่เวลาที่เราไม่โกรธไม่เกลียดเราก็ให้สิ่งต่างๆกับคนนั้นกับคนนี้ได้ถ้าเราอยากจะมีทรัพย์ตรวจมาทุกภพทุกชาติ ไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่อดอยากขาดแคลนเราต้องสร้างทานบา ร, รมีเพราะทานบา ร, รมีนี่เหมือนกับการเอาทรัพย์ไปฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ในภพต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานเราก็จะได้พึ่งทานบา ร, รมีนี้มาสนับสนุนเรา คนเราที่เกิดมาบนกองเงินกองทองหรือมีส้มหลน่นนี้เรียกว่าเป็นอนิสง์ของทานบารมีแต่คนที่ร่ำรวยนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดจากทานบารมีเพียงอย่างเดียวเช่นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่มีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินศึกษาหาวิชา<อ>ความรู้ มีความประหยัดมัธยัสถ์รู้จักเก็บเงินเก็บทองคนแบบนี้ก็ร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ไม่ได้ดรวยด้วยทานบา ร, รมีที่ได้ทำมาในอดีตคนที่รวยด้วยทานบา ร, รมีนี้ก็เป็นพวกที่มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีมาลูกมาเกิดเป็นลูกของเจ้าเจ้านายลูกของกษัตริย์ลูกของนายกของประธานาธิบดี ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของทานบารามีหรือพวกที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับเป็นอนิสงค์ของทานบารามีเป็นส้มหล่นใส่หัวเราไม่ต้องไปดินนป้นรนเพียงแต่ซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ นี่เรียกว่าอนิสงส์ของทานบารมีคนเราที่เรามีความแตกต่างกันในฐานะการเงินการทองนี้ก็เรื่องของทานบารมีนี่เองการทำมาหากินรายได้ของเราคล่องแคล่วสะดวกหรือไม่ก็เรื่องของทานบารมีถ้าเราทำมาหากินแล้วเงินทองก็ไหลเข้ามาเทเข้ามาอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทานบารมี ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้เราพยายามสร้างทานบารมีไว้เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปต่อไป mm. เพื่อที่เราจะได้สร้างบารมีข้อที่สได้บารมีข้อที่สก็คือศีลบารมีศีลก็คือการละเว้นจากการทําบาป5ประการด้วยกันคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเพราะการกระทํำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เรามีความสุขความเจริญแต่จะเป็นเหตุที่จะทําให้เรามีความทุกข์มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็อาจจะหมดได้ถ้าเราไม่รักษาศีลแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ เราก็จะรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราได้คนที่จะรักษาสินได้ต้องเป็นคนใจบุญสุนทานคนที่ชอบทำบุญให้ทานคนที่มีทานบรารมีเพราะคนที่มีทานบรารมีนี้จะไม่ไม่ขี้เหนียวไม่ขี้ตื่จะไม่หวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็จะไม่โลภอยากได้เงินทองมาก ถ้าอยากจะหาเงินทองก็จะไม่หามาโดยวิธีที่ทุจริตคือจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้จะไม่หาเงินหาทองด้วยการข่าด้วยการลักทรัพย์เป็นต้นคนที่มีใจบุญสุนทานนี้ก็จะรักษาศินได้ง่ายคนที่ยังทำบุญทําทานไม่ได้นี้จะรักษาสินไม่ได้เพราะมีความโลภอยากได้เงินมาก มีความหวงเงินหวงทองมากอยากจะได้มีเงินมากมากแล้วก็จะทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้เงินทองมามากมากมาก็มักจะไปทำบาปทากรรมไปพูดปดไปชบโกงเป็นต้นแต่ถ้าเป็นคนใจบุญสรูทางแล้วจะไม่ชอบเบียดเบียนพูดจะมีความเมตตาอยู่ภายในใจก็จะไม่คิดร้ายกับผู้ ไม่เบียดเบียนพูดก็จะทำให้สามารถสร้างศีลบา ร, รมีได้ศีลบา ร, รมีก็คือจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองนิไม่พูดปดไม่เสพสลายยามาพอรักษาศีลได้มีศีลบา ร, รมีแล้วก็จะสามารถเจริญบา ร, รมีข้อต่อไปได้ก็คือเนคขมมะบา ร, รมี ในคำนี้แปลว่าการละเว้นจากการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายคือจะหาความสุขที่ละเอียดกว่าที่สูงกว่าที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบการที่เราจะทําใจให้สงบได้เราต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นเราก็ต้องถือศีลแปละเว้นจากการหาความสุขทางร่างกายศีลข้อที่สาก็จะกลายเป็นอบร拉 ม, มริยาคือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครจะไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายศีลข้อที่หกก็จะไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร จะรับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็ไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นรับประทานถึงเที่ยงวันนี้ก็พอกับความต้องการของร่างกายแล้วแล้วก็ไม่หาความสุขจากมหรสุและเครื่องบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาแป้งทำเผ้าทำผม ใช้น้ำหอมใช้น้ำมันอะไรต่างๆมาเสริมความงามเสริมความสวยให้กับตนเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขผิวเผินไม่ใช่เป็นความสุขจริงเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขจริงความสุขจริงก็คือการทาใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันถ้าไม่รักษาสีนี้ จะไม่มีเวลาจะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความสงบให้แก่ใจได้แต่ถ้าเรามีเนคขมะบาลมีรักษาสีนแปดได้เราก็จะสามารถสร้างบา ร, รมีข้อต่อไปได้ก็คืออุเบกขาบาลมีอุเบกขาบา ร, รมีก็คือการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางคำว่ากลางก็คือ ไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความอยากกับอะไรใจจะเย็นใจจะสบายไม่หิวไม่ต้องการอะไรอันนี้ก็จะเกิดจากการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธใจของเราก็จะชอบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปคิดถึงเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวก็ความคิดก็จะพาให้เราไปาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จะไม่สงบ แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้เรื่อยๆความคิดที่จะพาให้เราไปหาความสุขต่างๆก็จะหายไปใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาเราก็จะได้อุเบกขาบาลมีได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เรา ได้รับจากทางตาหูจมูกปิ้นกายนี่คืออุเบกขาบาลมีเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ผู้ใดได้อุเบกขาบารมีแล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปในโลกนี้คนที่มีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอได้พบกับอุเบกขาบารมี เขาก็จะสละไปหมดเลยเพราะว่าเขาอยากจะมีความสุขจากอุเบกขาบาลมีนี้เพียงอย่างเดียวเขาก็จะไปออกบวชกันเช่นพระพุทธเจ้า่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกบวชพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับอุเบกขาบารมีได้พบกับความสงบเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขที่ได้จาก ทางตาหูจมูกริมกายกับความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้เหมือนกับนรกกับสวรรค์เลยความสุขที่พวกเราได้กับทางตาหูจมูกรินกายนี้เป็นเหมือนนรกเพราะเวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันเสื่อมไปเวลานั้นก็เหมือนกับตกนรกเวลาที่เราสูญเสียคนที่เราลากไป คนที่เคยให้ความสุขกับเราเวลานั้นความสุขก็หายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ที่เป็นเหมือนนรกดีๆนี่แต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมารู้จักวิธีรักษามแล้วต่อไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าใครจะเกิดใครจะตาย ใครจะอยู่ใครจะไปจะไม่ทําให้เราต้องเดือดร้อนเลยเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าอยู่ภายในใจของเรานี่เองนี่ก็คืออุเบกขาบาลมีพอเราได้อุเบกขาบารามีแล้วเราก็จะต้องรักษาอุเบกขาบารามีให้อยู่ไปอย่างถาวรก็เราก็จะต้องสร้างบารามีขั้นต่อไป ก็คือปัญญาบรารมีปัญญาบรารมีนี้จะทำให้เรารักษาอุเบกขาบรารมีที่เราได้สร้างขึ้นมาจากการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปเราไม่ต้องบริกรรมพุทโธถ้าเรามีปัญญาปัญญาจะสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่จะมาทาลายอุเบกขาคือความสงบสุขของใจนี้ ก็คือความอยากต่างๆนี้เองถ้ายังมีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ก็จะทาให้ใจนั้นสูญเสียความสงบสุดไปแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเราใจก็จะได้หยุดความอยากได้นี่คือปัญญาต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเวลามีก็มีความสุขได้แต่เวลาไม่มีเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป เช่นเงินทองเวลามีเงินทองก็มีความสุขแต่พอเวลาไม่มีเงินทองก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองให้ความสุขกับเราถ้าเรามีอุเบกขาความสงบให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนี่คือปัญญา ปัญญาจะสอนให้เราปล่อยวางทุกอย่างให้เราไม่ต้องการได้อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทำนั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบสุขเราก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเวลาจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็จากอย่างสุขอย่างสบายไปแล้วการถ้าเรายังกลับมาเกิดใหม่เราก็จะกลับมาเกิดมีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีเงินทองที่มากกว่าเดิมมีความสุขใจมากกว่าเดิมนี่คืออนิสงส์ ที่เราจะได้รับจากการสร้างบารมีต่างๆการที่เราจะสร้างบารมีหลังนี้ได้เราก็ต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องตั้งตั้งใจตั้งเป้าว่าเกิดมาชาตินี้จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบารมีต่างๆสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างเมตขัมมะบารมี สร้างศีลบารามีสร้างอุเบกขาสร้างปัญญาบารามีเราต้องตั้งเป้าคืออธิษฐานคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่แปลว่าขอขอให้ได้บารามีนั้นขอให้ได้บาลมีนี้ขอไม่ได้บารามีเราต้องสร้างกันขึ้นมาคำอธิษฐานนี้จึงไม่ได้แปลว่าขอแต่แปลว่าให้ตั้งใจทำํำให้ตั้งใจทําเหตุต่างๆ ก็คือให้ตั้งใจสร้างบารมีต่างๆถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็จะได้ทําเช่นเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะมาวัดทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระเพื่อมาสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างปัญญาบารมีเป็นต้นพอเราตั้งใจแล้วเราก็จะได้มีจุดหมายปลายทางพอถึงเวลาเราก็จะได้ เดินทางมาที่วัดกันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราก็จะไม่ได้มาเพราะถึงเวลาก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาดึงให้เราไปทำแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วต่อให้มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ไปทำเพราะเรามีความตั้งใจแล้วดังนั้นท่านก่อนที่เราจะสร้างบา ร, รมีต่างๆได้เราต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีก่อนมีความตั้งใจ เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบาณีคือความจริงใจเราต้องมีความจริงใจต่อการตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อตรงกับตนเองโกหกตัวเองโกหกว่าต่อไปนี้จะเลิกกินเหล้าแล้ว แต่พอถึงตอนเย็ยนมีเพื่อนมาชวนกินเหล้าก็ไ ม, ม่ก็ไปไปกินเหล้ากับเพื่อนอย่างนี้เรียกว่าขาดสัจจะไม่มีความซื่อตรงถ้ามีสัจจะเวลาเพื่อนมาชวนให้กินเหล้าก็บอกไปตรงๆว่าต่อไปนี้ไม่กินแล้วตั้งใจว่าจะไม่กินแล้วถ้ามีสัจจะแล้วก็จะสามารถทาสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้นี่คือข้อ ข้อที่สองข้อที่สสิ่งที่เราต้องมีหลังจากที่เรามีสัจจะก็คือต้องมีวิริยะคือความขยันพอเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องขยันทงรีบทำอย่าทำแบบขอไปทีถ้าทำแบบขอไปทีผลก็จะไม่ได้ไม่ได้ดีเวลาทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจทำอย่างเต็มที่ มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ทุ่มไปให้กับการกราทำพอถึงเวลาทำทานก็ทำอย่างเต็มที่รักษาศีลก็รักษาอย่างเต็มที่อย่าไปทาแบบขอไปทีเพราะผลมันจะไม่เกิดเราต้องมีวิรยิยะความภาคเพียรและข้อสุดท้ายที่เราจะต้องมีก็คือต้องมีขันติความอดทน พการกระทำความดีนี้เหมือนเดินขึ้นเขามันยากเราไม่ค่อยชอบทำกันแต่เวลาทำบาปนี้มันง่ายเหมือนเดินลงเขาแต่ถ้าเราอยากจะขึ้นที่สูงไปสวรรค์ไปนิพพานเราก็ต้องทำความดีต้องเดินขึ้นเขาเวลาเดินขึ้นเขามันก็ยากมันก็เหนื่อยถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำไม่ได้การสร้างบรารมีต่างๆ ทางบารมีศีลบารมีเนค ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีก็เช่นกันถ้าไม่มีความอดทนจะทาไม่ได้ไม่มีขันติบารมีแต่ถ้าเรามีรับรองได้ว่าบารมีต่างๆจะสร้างได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้สร้างมาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วท่านก็ได้รับผล อันสูงสุดที่ได้จากการสร้างบารมีเหล่านี้มาพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาดังนั้นอยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากสุขอยากจะเจริญอยากมีชีวิตมีชีวิตที่ดีต่อไปในภายหน้าเราก็ต้องพยายามสร้างบารมีกันเสียแต่วันนี้แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน